น้ำได้อ่านหนังสือห น, นังสือสำหรับตำรปัญญามาจากการนิดิษาเดียกปัญญาไม่ใช่ญานปัญญาญาปัญญาอีกเรื่องหนึ่งอันปัญญาอันอย่าง น, นี้เรียนพระไตรปิฎกแตกตามแล้วพระองค์ค็ยังไงยังใส่ไม่ได้เราเรานึกย้อนไปถึงพระองค์ก็ได้พระองค์บวชเข้ามาแล้วเนี่ยไปศึกษาเราเรียนตามครูบาอาจารย์ต่าง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 ศาสนาคือตัวบุคคลพุทธศาสนาคือตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาก็ได้หรือตัวรูก้ก็ได้ตัวเดียวกันกับผองนี่พุทธศาสานาพุทธะแบบผู้รู้ใครรู้ก็ตัวมันโลนี่เองเราจะว่ายิญงานรู้ก็ได้หรืว่าปัญญารู้ก็ได้หิว่า อ, อะไรรู้ ก, ก็ได้รู้แค่นี้กับผองบาปเป็นบาปก็คืองโง่นี่เองบาปคือเมื่อคือไม่รู้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 ความวเป็นคนนี้ก็ได้มาจากพอจากแม่พระบิดามาดาถ้าไม่มีพอไม่มีแม่ไม่มีบิดามาดาเด้จะเกิดเป็นคนได้ทำไเกิดในรางขวามเป็นคนลูกเท่านี้ก็พออันนี้อาศัยว่าเราก็พูดกันแล้วบัด น, นี้ควรเป็นคนอยู่ได้เพราะเรื่องอะไรอันนี้เป็นปัญญาเนี่ยอุปาวิจาร์ควมเป็นคนอยู่ได้ก็เพราะอาหาร อาหารบำรุงร่างกายเป็นคนอยู่ได้ถ้าขาดอาหารแล้ววันนึ่อยู่ไม่ได้อีเลยเมื่อกินอาหารเข้าไปแล้ววันนึ่ไม่มีถ่ายอยู่ไม่ได้เลยมิได้ทายไม่กินเข้าไปก็อยู่ไม่ได้แบบคนเป็นคนก็อยู่ไม่ได้เลยอันนี้เป็นปัญญาขึ้นแต่ทีแรกมันต้องรู้อาศัยให้ยาปัญญาเพื่นอนำเกิดขึ้นเบิกฐานก่อนนี่เป็นไงวันนี้เป็นหัวข้อสั้นๆนะเพื่น หน้าที่ของคนบางอางหน้าที่ของคนเรื่องของคนเอาแล้ววันนี้เป็นปัญญ า, า, า, า, าลีธาลีชาลีขุ่วข่วงเฉพาะญาณปัญญามันที่เที่ยแค่นี้เองครับผมเคยพูดให้ฟังถ้าไปเลยไม่ได้พบภัยพอได้จุดเส้นทางพบรีบขึ้นมาทางนี้แทวทางเคยได้ยินบ้างไหมผมพูดกันด้ยครับเนี่ย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 มีญาณปัญญาขึ้นมาเป็นระดับระดับขึ้นมาจริปฐมมัฌานมีองค์ห้าเขาว่ทุติยานมีองค์สามตัสติยานมีองค์สองจะตุทัศน์มีองค์สองเขาว่าอย่างนับัดนี้ตนปัญจมัชฌานองค์ห้าคือปฐมมัชฌานมีองค์ห้าทุติยานมีองค์สี่ตัสติยานมีองค์ส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 ูครั้งที่สามผมทันทันทีผมคิดทันแล้วก็ผมเคยรู้ทำเหมือนเนี่ยกับเนี่ยก็ก็ตบทันทีเลยก็เกิดให้ยานปัญญาเกิดขึ้นเห็นมรรทุกบาลามัทากาโทสะมโมหะโลภะเวทนาปัญญาสังขารปัญญาตกจากนี้เวทนาไม่ทุกปัญญาไม่ทุกสังขารบัด น, นี้กับปัญญาเราอิภาคอิจารเดียตัวอย่างปัญญาอันนี้เท่านั้นพาน้ำหนักตัวผมเนี่ย ร้อยกิโลครับหายล่นออกไปหมดเหมือนกับเอาอันยามาสโล<ม>นเนื้อเนี่ยติ้งเข้าไปจับรุดไม่ได้แล้วโภสะโมหะโลภรุดไปแล้วตกปุ๊บโ อ, อ้ไปแ ล, ล้วร้อยกิโลเนี่ยออกไปอย่างน้อยต้องหกสิบกิโลแต่ผมคาดว่าแปดสิบกิโลโอ้เข้าใจแลว้วครับปัญญากรรมยิภา ว, าวิจารแลว้ว วัตถุ ก, กับหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างประเภทบัญ น, นี้ินี่งนี่ที่ปัญญาไม่ใช่ยานปัญญาเป็นปัญญาเนียวเรามักแต่กันทุกสิ่งทุกอย่างไม่ผิดแต่ว่าเอาไปใช้ในทางอุปถัมภ์เอาไปใช้ในทางที่ถูกก็ถูกทุกสิ่งทุกอย่างต้นไม้ภูขเขาดินฟ้าอากาศห้วยหนองของมือตัวเองก็เป็นวัตถุจิตใจก็เป็นวัตถุเนี่ยบัดนี้ต้นไม้ภูขเขาห้อยหนองของมือเป็นปรจจามัด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 เหลือยี่สิบกิโลเบาสามารถทีกโอ้โหมีต้นทางแหละะ้วบบนี้นี่แหละจะว่าได้กระแสะพลันผ่านได้ที่ตรงนี้ใครจะพูดยังไงก็ได้แต่ไม่ได้ออกเรื่องผมพูดของคนอืน่นผมพูดความจริงถ้าปฏิบัติอย่างนี้ต้องรู้มาอย่างนี้ถ้าผิดจากนี้ไปก็แสดงว่าไม่รู้อย่างนี้เป็นอย่างเดินกลับไปกลับมานี่เดียวไม่นานเกิดยายนตัญหาเิเลตัญหาอุปทานตับ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 มานอนแลบบอันนี้รู้จักอันนี้เราตอนเย็นมานอนนอนผมลุกมาตอนเช้าเอาไบไปใกล้ใบเสียงไข่ตะขาบตัวนึงมันแล่นมาผ่านหน้าผมผมก็เลยเอาเทียงไขตามตะขาบไปไม่เห็นได้มเอาเทียงไขไปวางที่เดิมเลยลู้จักชัดเจนขึ้นมาสิ่งเป็นเครื่องกับจคิริยัญญาสมาธิเป็นเครื่องกับจคิริยการปัญนาเป็นเครื่องกัจจคุริยุทธ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 วิญญาณขันเนาะวิญญาณเจวารู้เนะครับตัววิญญาณก็มีสิ้นวิญญาณเจ้ปัญญาอะไรคือปัญญาจะมีสองระดับเขาเข้าใจนะครับปัญญาตัวนี้กับวิญญาณเนี่ยมีสองระดับนะครับวิญญาเจอรู้วิญญาคือคือปัญญานั่นเองแต่ปัญญางนี้ก็เลยรู้จากความสงบความสงบจะเป็นผลถอยได้ครับความสงบเป็นผลถอยได้เพราะเกิดปัญญาเกิดปัญญาขึ้นมาได้กับเพราะยานปัญญาโดยผา เมื่อยานปัญญาตัวนี้ยังไม่เบิกทางมีเพื่ปัญญาคิดชี้ถึงก็ออยังปรากฏไม่ได้ควรสงบปัญญาปรากฏไม่ได้นีเ่เป็นอย่างหนเมื่อยานปัญญาเบิกทางแล้วทีปัญญามันพแพร่ทางไปทีเบิกขาเลยอันนั้นเป็นเพื่อผลคอยได้ทุกข์สงบควมสงบเพื่อเป็นผลคอยได้มาจากปัญญาผมเข้าใจอย่างนี้พอดีรู้จักอย่างนี้มาพักผมก็รู้จัก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 ทำบุญด้วยวาจาพูดจะดีทำบุญด้วยใจใจคิดจะดีสามอย่างเนี้ถ้าสวรรค์มีทำบุญด้วยใจนะีไปเกิดสวรรค์กี่สี่เดือน น, นนิพพานมีจะไปกี่สี่เดือนทำบุญด้วยวาจาคำพูดทำดีจะได้ไปอยู่สวรรค์นิพพานมีจริงเนนะีไปอยู่สี่สี่เดือ น, น, น ไ, ได้ทำด้วยใจไป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 เข้ามาลทีเดียวแล้ว เ, เชือกมาพวกที่ตรงนี้ับปุ๊บเชือกมันย้อนตึงมาติดตรงนี้เจานี้ดึงเขาหานะการไม่เพงเยอันนี้เป็นอย่างตัาอย่างแต่ปัญญ า, ากรร ม, มิภาควิจารณ์มันขาดเพราะเรื่องอะไรเนะี่ยเนี่ยไปติดตรงนี้นว่ายาใส่กลับขึ้นมาทางนี้อีนี้ืมาติดอันนี้เป็นปัญญาเกษตร่ขึ้นมาต้นขานกลับมาเบิดขาให้แผวฐาเปลี่ยนแบบไปเทอที่นั้นกลับขึาาน้นมาแผวขาเปนี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 ไหวพอไหวแม่เราเขาได้ไหวเพื่อนไหวมนุษย์ร่วมโลกด้วยกันทั้งหมดกขได้นั่นจริงยทุกคนมีเหมือนกันทั้งหมดไม่คิดกันเลยที่ว่าคนในโลกเนี่ยคนไทยเขาเรียกว่าคนคนจีนก็เรียกว่าคนคนอเมริกาก็เรียกว่าคนคนเยอรมันก็เรียกว่าค น, นคนอังกฤษก็เรียกว่าคน